เอสองทุ่มก่าเราไม่ทันแล้วพรุ่งนี้กอาทีเดียวเลยนะก็ <c oughs> เราได้ฟังพระคุณเจ้าแต่ละท่านฟังก็น่าชื่นใจนะว่าท่านได้รับผลประโยชน์จากที่นี่หลายๆอย่างถึงแม้ว่ า, าจะมีกันน้อยแต่มีคุณภาพสูงนะก็ในส่วนหนึ่งข้อสังเกตของฮนะันแสนก็คือได้ทำมากขึ้นสังเกต ทางจุภูมิของท่านสายสองเส้นทามาก็เกรงใจเจ้าของบ้านเลยพูดถึงเจ้าของบ้านก่อนนี้โยมห่วงยาหรือเปล่าเนี่ยพระเดินเหยียบยาแน่นอนในงานนี้บอกโอยมบอกเอาเลยท่านขอให้พระได้บรรลุทําก็ใช้ได้แล้วถ้าเกิดพระไม่บรรลุธรรมเนี่ยยาโยตายเปล่าเปล่าเนี่ยยาอยาตายแล้วปลูกได้เนี่ยธรรมะมันงอกยาเอาธรรมะก่อนก็แล้วกันนี่ <c oughs> ก็เลยสบายใจโยมบอไม่ห่วงยา ท่นแสนกนเดินนะได้สองเส้นทางก็เรียกว่าพระเราเดินดีคุณจีอีกท่านหนึ่งท่านมหาทิพวิทย์ซึ่งแกกลับไปเมื่อวานเพราะท่านมีงานบรรยายทำอยู่ที่อำเภอแก่งค้อนะ <c oughs> ก็ไปก็ท่านได้อารมณ์เมื่อวานนะท่านไม่เคยได้อารมณ์แบบนี้มาก่อนนะ ท่านเพิ่งมารู้ความจริงปอาจารย์สอนวิปัสนามาตั้งนานเพิ่งมารู้จากวิปัสนาเมื่อวานในวันนี้เนะมื่อก่อนนี้ทดลองสอนทดลองทํานะแต่รู้จริงๆเมื่อวานนี้โอ้หน้าชื่นใจนะแต่ท่านก็จะไปรัดหาดมางงานนะพราะวางตัวท่านว่าจะไปอเมริกาในพรรษา น, นี้นะสําหรับข้อสังเกตของอาจารย์คงติดท่านบอกว่ามาจะให้ท่านเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าเนะี่ยก็ อันนี้แล้วแต่ท่านคิดไปนะฮะแต่ความจริงอมาก็ทําตามหน้าที่นะฮะคื <c oughs> <c oughs> ออมาก็รู้สึกว่าตัวเองได้ทําผิดบางอย่างอยากจะแก้ไขนะฮะแล้ผิดไหมครับว่าสมัยแรกอามาเข้มงวดกับตัวเองมากเมื่อเข้มงวดตัวเองมากก็ผลจากการเข้มงวดตัวเองไปเข้มงวดกับคนอื่นด้วยแต่เ ม, มื่อมายุคสมัยที่ตัวเองผ่อนคลายแล้วคนอื่นเขาไม่ยอมผ่อนคลายทีนี้เขาก็ติดลูกนั้นไปเลยไปเข้มงวดกับคนอื่นต่อเหมือนตัวเองได้ทํากล่าเอาไว้ อาจารย์สุริยาเนี่ยท่านก็ไปเข้มงวดจนกระทั่งบัดนี้นะญาติโยมก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ส่วนหนึ่งก็ก็รับไม่ได้นะอย่างท่านอาจารย์เกษินอาจารย์โยมพิกุลอย่างเนี่ยก็เข้มงวดจนกระทั่งบัดนี้บางส่วนก็รับได้บางส่วนก็รับไม่ได้อามาก็ไม่สามารถที่จะเอามาแก้ไขได้ก็เลยเห็นว่าอาจารย์คมกินเนี่ยพอจะแก้ไขได้นะมก็เลย ก็เลยดึงท่านออกมาแก้ไขตอนนี้แหละให้ท่านเห็นว่ามันมีสองลักษณะนะเข้มงวดเรารู้จักผ่อนแต่จะมาผ่อนคลายไม่ทันในช่วงสองสามท่านนะท่านก็เลยเข้มงวดต่อเลยก็ส่วนหะนึ่งที่ดีก็คือก็คือคนที่ตั้งใจจริงนะแต่คนที่ยังมีลักษณะอินทรียังอ่อนอยู่เนี่ยไปเข้มงวดเขาเขาไม่ได้เหมือนเดาเขี้ยวนี่เขี่ยวไฟจัดจัน่ะถ้าหากว่า น้ำไม่พอเนี่ยไม่เลยนะไม่นะบางคนที่เขาศรัทธายังไม่พอนะไปเขี่ยวเขาจัดจัดเนี่ยเขาเขาหนีเลยนะเขาเข็ดเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ท้งนี้ก็เขี่ยวไว้นะก็อยาก่าให้ทําทั้งสองอย่างนะถึงคนที่มีศรัทธายางน้อยก็ก็ทําแบบหนึ่งคนที่มีศรัทธามากแล้วก็ทําอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าคนทั้งมีศรัทธามากศรัทธาน้อยจับมาได้รูปแบบเดียวกันให้เสร็จเลยพเพราะนั้นเหตุเพราะนั้นอย่างอาจารย์ศิริยาอาจารย์ เกษินโยพิคุณนี่ก็หมีโอกาสที่จะแก้ไขแล้วแต่อาจารย์คงจิจยังมีโอกาสอยู่เราก็เลยดึงมาร่วมอันนี้อันนี้คือเปิดเผยความลับวันนี้เองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้หนึ่งที่จะรับงาน <c oughs> แทนนริตมาต่อไปเมื่อกลับไปต่างประเทศงานเข้าอาจารย์คงกิตก็ต้องรับแต่มาไม่กล้ายูนไปทางโสพนัสหรือแพรแสงเทียนมากนักเพราะว่าคุณเขาไปแล้วบางทีเขาเจอเข้มแล้วก็ไม่ไปอีกเลย แต่พระอาจารย์งคงจิตคงจะรับทุกเนี้ยเข้มก็ได้ไม่เข้มก็ได้ท่านคงจะรับได้ในจุดนี้ก็คิดว่าในส่วนหนึ่งจะช่วยแยกโยมเพราะทุกคนทุกวันในโยมสศรัทธาไม่เข้มแข็งเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเขารับข้อมูลหลายด้านก็ศรัทธาก็แยกไปหลายแบบเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอผ่อนปรนในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ ใ น, นเมื่อเขาค่อยใจแล้วก็สามารถเข้มได้ส่ว น, นที่ยังไม่เข้าใจชัดก็ก็ทําความเข้าใจไปก่อนเมื่อเข้าใจชัดเจนอะไรเป็นอะไรแล้วก็สามารถที่จะเข้มได้อันนี้ก็จะดูตรงนั้นก็จะว่า <c oughs> ศึกษาก็ศึกษาเนะเพราะงั้นเราจะไปทํางานในในสากลไม่ได้นะมาไปทํางา น, นอเมริกาเนี่ยคนหลายเหล่าหลายเผ่าหลายพันธุ์หลายศ า, า, ย า, นาย ส, สนาเราจะาแบบอย่างที่เราเคยเข้มไม่ ไ, มได้ ก็จะต้องผ่อนปลุนตามศรัทธาตามอินทรีย์ของเขาก็ถ้าเอามาไม่ไปทํางานในส่วนนั้นมาก็คงจะผ่อนคลายไม่ได้มันก็จะอาศัยเข้มกับตัวเองมันตลอดพอไปถึงที่น่นํามันเข้มอย่างที่เราคิดไม่ได้แล้วก็ทํอ ง, งาดูร่วมตามศรัทธาเขาแล้วก็มีการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองไดนะ้ก็ทํางานได้ทุกๆสถานการณ์ดนะังนั้นเองก็ตอนหลังมาก็จะมีงานที่มีคนตั้งใจ นะตั้งแต่กลับมาเที่ยวหลังๆนะี่ก็งานาใหญ่ๆก็เป็นงานที่มีเรียก ว, ว่าคุณภาพเพร า, าได้นะก็ทำให้เราสามารถที่จะให้ประโยชน์สูงกับผู้ที่ตั้งใจได้ไม่ว่าคุณจะอีซีอ่ออีซเข้มแข็งก็รับประโยชน์ได้เท่าเท่ากันนะสำหรับท่านเจ้าของบ้านเมื่อก่อนนี้นะเรารู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระราหันต์ดาวกทั้งหลายเนะี่ย แในขณะเดียวกันเราก็รู้จักบุคคลสําคัญในพุทธศาสนาอย่างอนาถบิดาเศรษฐีอย่างนางวิสาขาอย่างพระเจ้าพิพิสารพระเจ้าอาโศกเงี้ยถ้าไม่มีท่านเหล่านี้นะพระพุทธศาสนาไม่ได้ยื่ยาหมาขนาดนี้นะแต่เพราะมีท่านเหล่านี้พุทธศาสนาท่านลาพังแต่พระสงค์หรือพระพุทธเจ้าเองท่านก็ ก็ทํางานไม่ได้ขนาดนั้นถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้ในพุทธศาสนาในประเทศไทยเหมือนกันถ้าไม่มีคนอย่างที่โยมต้อยโยมที่ได้ทํามาเนี่ยไม่สนว์สนุนกันอย่างนี้พุทธศาสนาก็ก็ไปไม่ได้ไกลลําพังแต่ชาวบ้านหาเช้ากินค่าเนี่ยเขาปฏิบัติแล้วเขาก็เขาก็รักษาตัวเขาเองได้การที่จะแผ่เผื่อเจือจันไปสู่คนอื่นไม่ว่าทางด้านสติปัญญาหรือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทางด้านพวกข้าศัพย์เนี่ยก็ทําไม่ได้ แต่ถ้าหากว่ า, อ, าอย่างพระพุทธเจ้าท่านได้นางวิสาขาได้อนาธรรมนิการเศรษฐีได้พระเจ้าพิสารได้พระเจ้าปเปรศรษธิโกศ น, นึงเนี่ยก็ทําให้พุทธศาสนายืดยาวมาโนะยมเป็นเป็นอฟสนับสนุนรรถ้าหากว่าไม่มีโยมเหล่านั้นก็พุทธศาสนาก็ไม่ถึงกันาดในประเทศไทยถ้าไม่มีโยมอย่างที่โยมต้องทำเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยืดยาวไปเรามี ผู้ที่มีหลักฐานหลายท่านช่วยกันแระวผู้ศาสนาประเทศไทยก็ยังเข้มแข็งอย่างรุ่งเรืองอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับทางลาวทางขเขมรทางเวียดนามทางพมา่ลาลังกาอินเดียเนี่ยประเทศไทยเราไปได้ไกลกว่าเพราะเพราะว่ า, าผู้ที่เป็นมีหลักฐานาในประเทศไทยเนี่ยไม่ละทิ้งพุทธศาสน า, าเปอร์เซ็นต์ของเราที่ ประชากรที่นับถือพุทธศาสนาก็มากกว่าที่สุด 80-90% ก็เด้อาศัยท่านผู้มีหลักการเหล่านี้เข้ามาช่วยอุ้มชูอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กระจายกันไปนเพราะฉะนั้นเองในจุดนี้ก็ถือว่ า, าเป็นโชคดีทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นบุญของพระศาสนาที่เราจะได้สืบทอดต่อไปและอีกอย่างหนึ่งที่ท่านจารย์สายันตั้งขอสังเกตว่ า, าบ้านอื่นที่เขาผู้มีอัจะกิน นอกจากเขาจะใช้เป็นธรรมเนยสถานแล้วก็ยังไม่ได้คิดถึงเจือจุนถึงจุดนี้แต่แต่บ้านหลังเนี้ยนอกจากเป็นธรรมเนยสถานทางโลกแล้วก็ยังเป็นธรรมะและธรรมะธรรมเนยสถานนีะน่าจะตั้งเป็นชื่อบ้านแลยไม่ดีหลายอย่าง <c oughs> บ้านธรรมเนียรสถานธรรมเนียสถานธรรมเนยสถานนะอันนั้นถ้าโยมอิไม่มีโยมก็สําเร็จไม่ได้เหมือนกันเหมือน <c oughs> <c oughs> แต่ยโยมก็ไปศึกษาวิธีนี้บ้างแล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> ต้องได้โทษถึง น, นะแต่หมายถึงว่าการที่จะคนจะให้สถานที่คือไม่ได้ง่ายที่จะให้นะเออเพราะ ง, งั้นก็พรุ่งนี้เราจะพูดถึงเบื้องหลังการไทําทกันนะวันนี้เฉพาะช่วยเลี้ยงเพราะฉะนั้นเองในจุดนี้ก็บ้านชื่อบ้านของโยมเชื่อเลยนะ ประชุมทานนะก็ะมีชื่อใหม่ของบ้านรมนิยสถานทําว่าน ร, ร ม, มนิยสถานนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้หลังจากที่เราได้ทานอ่านเช้าเสร็จแล้วก็ปฏิบัติสักระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในช่วงเจ็วันที่เราอยู่ร่วมกันที่นี่ว่าเราได้อะไรบ้างและพัฒนากว่าเดิมอย่างไรเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนะ้ะนี้เผื่อว่า เราจะได้นําประสบการณ์แต่ละส่วนที่เราได้เนี่ยมาแบ่งปันคนไหนได้มากได้น้อยคนไหนได้ถูกได้ผิดคนไหนได้ดีหรือไม่ดีแล้วก็จะมาบอกกันแล้วก็ช่วยกันแก้ไขในจุดนั้นนะนั่นนนัเองในช่วงเย็นนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายแม่ครัวแล้ว พ, พระพี่เลี้ยงมีโอกาสได้แบ่งประสบการณ์ก่อนพรุ่นี้ก็เป็นหน้าที่ของโยมที่เป็นนักปฏิบัตินะฮะพรุนี้เราจะแบ่งปันกันสําหรับเย็นวันนี้ก็ สมควรเวลา็ขอเนรมุทนาสาธุในความตั้งใจที่เราได้เสวงหาเส้นทางชีวิตจิตใจด้วยตนเองซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางที่เราเลือกสัตว์แล้วว่าดีที่สุดในในโลกก็ว่าได้ในพุทธศาสนาแล้วเราก็พยายามเดินตามอย่างมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ไม่ท้อถอยเราจะเดินต่อไปจนกว่าเราจะหายสงสัย ในเส้นทางสายนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านที